hmm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 แล้วก็ต้องเจออะไรหลายอย่างเราก็ทำได้นะเช <blank> ่นนะให้เราไปเดินฝ่าความมืดนะจาได้ัหมชอบไหมไม่ชอบแต่นี่แหละจะเป็นกิจกรรมที่เราจะจดจําไว้นะอีกนานแสนนานและการที่เราทาได้นะการที่เราทำได้นะ <gramm> ไดอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะ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 ตัวนี้วิ่งชนกระจกเลยวิ่งชนประตูกระจกตุงแม่อยู่ในครัวเดินเสียงน้องไอร้องโอ๊ยแม่ตกใจรีบมานะทีแรกจะมาอุ้มน้องไอ้น้องไอ้บอกแม่ไม่ต้องไม่ต้องยกมือห้ามไม่ต้องนะเดี๋ยวน้องนั่งสมาธิก่อนเดี๋ยวน้องไอ้นั่งสมาธิก่อนน้องไอรู้นะว่าเวลาปวดเนี่ยนะถ้าทำสมาธิแล้วเนี่ยมันจะปวดน้อยลงนะเพราะว่าน้องไอ้เคยมีประสบการณ์นะเคยนั่งสมาธิมา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 มันติดขัดยังไงก็ใช้สมาธิได้นะเคยดูหนังอีคิวซัป่าอีคิวัก็ทำง่ายนั่งสมาธิใช่ไหมไม่มีปัญหาเขาก็นั่งสมาธินะก็ทํำยังไง <c oughs> เออนั่นแหะนะให้ลองทําดูหรือว่ายกมือสร้างจังหวะเดินตรงกลมก็ได้นะมันทําได้หลายแบบนะแล้วก็พอสมควรแก่เวลานะก็ยุติเท่านี้อกระพริพร้อมกัน